จ้น <formation> มีการเสียพรไทยพอไปเห็นนางเสือสอนเสวดาเข้าเหมือนกันกับบนข้ากับเรานักบวชก็เวยนีมันมีอะไรเสียสดงงานมันมีอะไรที่จะจิดใจยากได้อีกยากได้ก็นางเสวดานางฟ้าแถานั้นพระพุท เทวดากับนางเทวดหยุดไยันี่ก็บอกเหม้อนกันกับนางลีมข้างย่าได้ไหมนางเทวดาย่าได้ย่ได้ยดเรื่องพยายามโดยมงมั่นภาวนาทำความเพียรเถอะนะเราจะเป็นตัวประกันให้ถ่าความเพียรทางจิตทางใจจะมีหวังนี่นางเทวดาเหล่านี้ เหลือสีของคนให้ได้ทำความเพียราะทำความเพียรไปก็เดียววันเม่หวังต่างใจอยากได้นางเพวดาคนนั้นเยองานพะทำความเพียรเสื่อแดดเพียรนางเืวดาไม่ใช่ทำความเพียรเสื่อไล่ลคนนั้นเยอคนนี้ยันถึงเป็นพระเดียกันท่านก็สมุดได้ แล้วเลิกไดเอยเือนกิเลสของใจแต่ก่อนแล้วก็รักใครชอบพอนะเป็นนโยาายเมื่อไปตกนเทวดาตกปล่ยขึ้นได้ในจิตใจยัยดีอะไรตมาเก็นนโยบยม่ชอบตกเทวดาจิตใจนมันาวเลอเปือถ้าเห็นย่งอื่นีเสือมต่เทวดามันก็จะไม่ชอบอีกกลิีก ไม่จับผิตตัวจิตใจของตัวและอายใจใน่คยจิตไปในทางกามอารมณ์สังวรระวงังจิตที่นี้จิตจะเรามาอรุชาอาสุเพงที่จะมาธรรมะนหนาหน่เข้าไปใน ใ, นใจหลุดลอยออกไปสู่อารมณ์หายหน่ผล ท, ที่สูจน์กฤตจักสรุร ทุกเอท่านจับได้เราก็แค่จับได้เหมือนกันทางเราจะจับจิดของจิตใจอย่าจิตใจเท่านั้นเนี่ยมันทําให้คนเป็นทุกข์ทำให้คนหลุ่มหลวงทำให้คนเสียดเชิญร้องไห้เหียใจเส่าใจต่างๆจึงมีทางที่จะจับ จ, จิบดและแก้จิตใจของตัวนะถ้าทางาจับ ถูกเคร่งจิดกคร่งใจกรณีสาวอยากจะไปฏิบัติสี่ไหนแก้ไขอะไรส่วนเติมเอ่ยเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้ไหมก็คือปฏิบัติดูเรื่งจิตใจของตัวแก้ไขชั่วบำเพ็ญดีอย่างนี้ความสุขความสบายสุขสบายนี่แเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาในเบื้องต้นเป็นที่กาอาศัยเหมือนเรือ เราจะไม่ถึงฝั่งเมื่อใดก็จะต้องอาศัยเมือเรืยไปการสร้า ง, งคุณความดีภายในใจจะทํานอง เ, อ เ, อเดียวกับเรือเราต้องสร้างไปจนไดถึงที่สุดเป็นเรือเ ล, อ เ, ลอเมื่อใดจะไม่อาศัยในความดีความชั่วเหมือนถึงฝั่งแล้วใครเล่าจะได้แบกเรื อ, อก็ทิ้งเรือ ตามนั้นไปถึงนั้นทางเราจะไม่กลับมาอีกแต่ฝั่งของจิตฝั่งของโลกไ ม, ม่กลับมาอีกถ้าไปถึงก็ทราบดีอยู่แล้วจะจดดิตดีจิช่วยอีกเป็นไปไมดด่ได้ถ้าเห็นดี่สุดมีหมดยืนยั ง, งตัวของตัวทราบเองไม่ต้องไปถามคนอีกเพราะนั่นการปฏิบัติใจ ในว่าจะหน่วยพุทธการเรือจะห้ประเุบันจึงงจำเป็นของทุกท่านที่มีกิเลสจะต้องปฏิบัติไม่ใช่ยากแต่เฉพาะเราคนอื่นก็ยากทำความขาดความเพียรจนเท้าแตกจนทาแตกก็คงเรามังขนาดไหนจิงแต่โดยที่ว่าว่าสนามไม่มีจนหมยไปจิตใจมันบืดเบี้ยวกว่าเา น้อยหาความสุขคนใดแต่ตั ừ, ้งใจจริงจังทุกคนจะต้องเย้ยขนเห็นว่ามีใสการพิ้ัติธรรมะเห็นว่าพอทุกคนเป็เวลาเขยุติดคิดค้นี่นวัดหลงตองเราตอนนด้จะเรียนขับเรียนเน แกว่าสงเยนน้อยหนึ่นงจะเดือดสาบกครับตัดเพือที่สุดรัดไปเลยนี้ไม่กลัวเป็นแบบเป็นกันเลยวเรื่องเรื่อเรื่องไหมไปทำเรือ ง, อรอง จ, รนนจริเขามยรับสุดแต่เขามั่งใจยุ่งยากสุดจนเมื่อคืกูอยากจ่าเงินทางองค์ ใจดีแบบละเหนื่อยแต่ละเหนื่อยยังยากใช้างต้อเนื่ยเป็นหมอมลแต่ละขาผีขึ้นพุชชนิดเอ๋ยที่แข็งนหัวใจแข็นเนื่ยแตหัวใจเป็นคนขวนะตรงวของคุณางใจก็มีอันดีบางท่านบอกว่ามึงนี่นทร์ตัติ้งใเลียง ก้นเนื้อนก็เดือดช่องด่องเ้บ่งต้าป็นเจ้าเป่นคนอวนเนแบเป็นกรหลายยุงกนเป็นเนาะก่อนจะใส่ผ้ากันเล้ากันเลยที่โกนเน่วลาเนอือใจด้วสีฟ้าเพือเป็นแนั้นเป็นท้ิเป็นรักษาะ เราค่อยขายเยอะๆค่อยสื่อสิขายที่เมดาก็คือต้องตลาดเดายคือเขขายเถืไปเงนมึงใช่เมื่อก่งเขาขายหลายบาทนี่ก็คีแต่ส้างเส้นี่อคบคิดไปด้วคิดเป็นตัวเงาของยังไงคิดไปคิดเป็นรึเปล่าไม่ใ่นะน่าจะการดัเงินก็เล่นม่ขึ้ คิดตั้กวดทานอนคนหลบคนปวดคนหลนี่เาอีวันเดียวหลังไ่ดเลยคิสายไม่ใจส่งการทาเือนเลยไปได้รักษาทางนีหยไม่คิดไม่ไปกังไม่ไเป็นคิเป็นไฟเป็นเถแล้งับรเพื่นนั่งรอก ยางไปเต๋อบางทีตอนนี้วันอยู่ตงนีลพิษดัดถ้าเป็าวยาด้งแนีบหา่ได้นอยากมกินบาหาเร่็ยดส่าตั้งย่มอเหา้นี่บัหุนเนี่ยตัอ่งเตาต้มเนื นะไม่ได้ยืนลมยนตายง่ะดรางดเวลานค่ำนเหมื่นค่ก้าวหไม่ได้นี่ยมาพดือของเรื่องอะอยู่เรื่องการล่อพ่เไม่เก็บเขาไม่มาเข้าใจจิตความเห็นที่เกิดมันเป็นที่ยัง จิตของเราสงบทำใหเขาไปสู่จิตใจได้ก็ไม่เสียขี้เกลาแั่หลแล้วตังเราจิตเราเขาที้สงบทำคำสอนเขาคือใจจางจิตหนุงส่วนใหญ่ก็คือสอนให้สงบการสงบเป็นทางนามาสู่ความสุข เป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องการอ่าความสงบทางด้านกายอย่างความสงบทางด้านใจความสงบทางด้านใจพอตายขึ้เราม่มีเรือไทยไฟหนาวอะไรมีความสงบและเรือไทยต่างๆเราจะเดินเหินไปที่ไหนก็ข้องสบาย จะหลับจะนอนสบายจะทาการทางานก็ได้มีรู้กายสงบแต่หอบใครใหนาวหาาไม่สงบเกิดเจ็บเกดี่ไหนที้หนขึ้นจะเป็นแข่งเปนาอวัยวะส่วนใดส่ตามมันก็หนุทิ้งไปทาเหไม่สะดวกถ้าไม่จับข้องหรืจะเดินจะเหยีจะนั่งจะนอน จะกินจะดื่เป็นทุกข์ลำบากเรื่งองของใจไม่สงบกว่าทำการทำ ง, งานอะไรไม่ได้ไม่มีความสุขความสบายเรื่องของ จ, จิตไม่สงบจะเช่นเดียวกันการทำจิตให้สงบก็ต้งองมีสติระวังรักษาในจิตคิ ด, ค ด, ค ด, คดทกโหยทางอืน่น ทางนอกทางชั่วโดวยค่วนใหญ่คืออาจารย์ทีาานนท่ท่านเคยจะิบัิมาเคยแนะนำสั่งสอนเกี่ยวกับสมาธิดยการบริกรรมหรือการกำหนดลมระาจะเช้ใจของเราทำก่อนกำหนดลมลมนี้อยู่ทุกเวลาไม่ว่าเราจะหลับจะตื่นไม่ว่า สีเล็บดกแดงหรืเหมืนสาวเาเรียกว่าใควาสมเน่ถึควรจะกำหนดเอาได้ขอทางไม่มีลมหายใจเราเรียกว่าคนตายคนถึงยังมีชีวิตอยู่มีลมอยู่ลมหาใจเลองของเลตันหาลมใจเองเดาา เมื่อเอาสติไปเจบต่อกำหนดอิู่ในลมเข้าลมออกท้องตนจะกำหนดที่ลมสัมผัสอย่างต า, นนาจะนหนูก็ได้หรือก็กำหนดเสียงลึกลงไปเป็นทองเป็ปอดก็ได้จะให้ตั้งใจกำหนดอยู่ในที่เดียวมันออกมันเข้า ตั้งาอย่างไรในตั้งใจกำหนดอยู่นั้นสุริตรมถนัดทางการบริกรรมกำหนดบทพุทโธธรรมโมสังโฆบทไดบทหนึ่งหรือเปลสาโรนานาคาทันตาไปโเกระดักกำหนดให้ใจมันดุมันสัมผัสกับธรรมบริตรรมขงตนเมื่อจิได้สัมผัสกับสิ่ใดปิ่หนึ่ง ในท้เที่ยวแต่เสียจิตพักจิตห ย, ยุดจนสัมผัสเข่าสัมผัสเข่าเรายหน่อยไปตามสัญญาอารมณ์สิเกิดขึ้นหรือผ่านมาจิตจะสงบ ล, งลังับจิตสงบเือจิตปล่อยวางเรียนภานาสัญญาความสุดความทุกต่าง ๆ, ๆ เคยมีอยู่ในใจในจิตความดจดจำมันหมายต่างๆเป็นอดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบัน็ันอยู่ตลอดอนาคตที่คาดฝันไปจังมีในความสงบในความเงียบสงใจใจจะต้นหนึนึงนึงแมวอยู่อย่างนั้น ไม่ได้คาดหมายว่าเราอยู่ที่ใดนั่งอย่างไรทำอะไรความหมายความปรุงภายนอกดับใจหมดใปเหนื่อยใจสงบถึงขัน้นถึงที่หัวใจมันเป็นอย่า ง, างนั้นตลอดเวลา น, วนั่นก็เลยมีการปรงคิดจุดขออ้องกับสัญญาอารมณ์อะไรหนาว ขนาดไหนมันก็ไม่รู้สึกร้อนขนาดไหนมันก็ไม่รู้สึกจะเมื่องานงขนาดไหนมันก็ไม่รู้สึกอีกเหมือนกันใจมันไม่ออกมาเกี่ยวข้องกับสัญญาภ า, ายนอกก็เวทานาภายนอกนึ่อจิตสงบจิตสงบเป็นของผิดแปลกอจจจัศจรรย์ทุกคนที่เห็นผลจากความสงบของตน จึงเชื่อมั่นว่าความสงดนั้นเป็นของสิ่มีคุณค่าราคาสูงจะหาดูหาซื้อตามร้านค้าต่างๆหรตามสถานที่ต่างๆจะวิ่งไปหาจนขาขาดก็มีมีวันเวลาที่จะเจอก็มีเงินจะมีเงินล้านไปหาด้างดูที่ไหนก็มายืดดูอีกไปดูก่หนจะหดเพราะสิ่งเหล่านี้ เมื่อเห็นเดือดตาจะเห็นเดือดใจคือการกระทําการบำเพ็ญของตนเมื่อเห็นเมื่อเต้นภายในใจจ่เชื่วอว่ความสุขความสบายคามประเสริฐของอัตถังเป็นของอัจฉรอย่างนี้มีจิตเลื่องใสเติมใจมีศราาัทธาว่าอยากจะกระทาการภาวนาการาละกิเล การทําความสงบเพอะความตุกที่เราเห็นเราเต็ม น, นั้นผึมันจะถอนออกมาต่อสัญญาวารจาได้ว่ามันเคยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันหนึ่ลืมอยู่ในจิตในใจคงต้อเข้าใจรับเย็นเห็นประจักษระยะทีมันเป็นมันเป็นอย่างนี้นแต่นั้นถอนมันถอ น, ถ อ, นออกมามันเมยเต็นอีก จะมีความอยากมีความต้องการแต่เมื่อมีความอากความต้องการจะเอาจิตไปมั่นหมายอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไปอีกไม่ได้มันจะต้องเป็นของมันเองหน้าจิตของเราจะทําอย่างไรก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นเราทาอย่างไรก็ทําอย่างนั้นกำหนดจิตกำหนดใจจะกำหนดลมกำหนด ทำบริกรรมก็หมดยูอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นผลเกิดขึ้นจากตารกับทำท่องตนเหมือนไม้ต่างๆหน้าที่ของผู้รักษาหน้าที่ของเจ้าของเสียจะต้องบำรุงด้วยน้ำดื่มสีต่างๆดูแลรักษาจะไปบังคับบังช้าในหนาผลมันต้อ บ, บอกออกผลโดยนี้โดยนี้ มันเต็มไปไมดางถับต่บังคับอยู่อย่างนั้นตอนมดูรอลำต้งของมันมันตองกลารน้ำไม่ตองกางปุ๋ยอะไรไม่เดเอาใจไส่นี่จะอยาบังคับไมดอกของมันออกคนนั้นตอไม่มีทางที่จะบังคับได้และเป็นไม้พืชเขารักษาใครดูอยู่นั้นก่อนอ้นก็จะเหน่แห้งไปเพราะไม่ไม่มี หรือห ม, ม, ม่เป็นอาหารของมาน ท, ทันใดจิตใจข้ ง, วงพวกเรกกาท่านักภาวนานักลา้กิเลสกว่าทำอยางนั้นอย่าไปคิดต่อสั่งขาดไหนว่ามันถูกอย่างนั้นมันฝุกอย่างนี้ทางนั้นทางนี้นอย่าใจให้เป็นอย่างนั้นตัวตัวจิตปัจจุบันมันราทำตามทำงานไปหาจิตความสงบหรือไม่หรือมันคิดขาด ไหนปุ่นเราเอาความสงบเก่ามาเป็นอารมณ์แต่ตัวไปเป็นดังมันลอยอยู่ในความสงบอะไรที่จะคิดจะจน้จะอยากจะทำจะทำหนึ่ีเหมือนกันกับคนคิดถึงการรับทานหกฉันกว่านั้นอาร่อยอร่อยอาหา ร, รมากมายหลายอย่างเลี้ยงเรือคิดไปเท่าไรความหยิบ น, น้ำสำาญไม่เกิดขึ้น เขาคิดไปถึงของเก่าของอดีตที่ผ่านมาหน้ที่จะให้มันอิ่มน้ำสาลามอย่างไรมีอาหารก็ทาลงไปสั่ลงไปมนตากในคอของเราความอิ่มเราต้องบอกบับงคับเราต้องอิ่มอย่างนั้นอิ่มอย่างนี้ถ้าหากเราโดนไปใส่ป <c oughs> ากใส่คงของเราแล้วความอิ่มจะปรากฏขึ้นเองในการภาวานาการ ทำสมาธิก hm ับทำนองเดียวกันพากันจะทำบำเพ็ญเพราะธรรมของพระัุทเจ้าในเลือบุคคลพาดันวันนั้จะเป็นพระเป็นเมรหรือพระาดจะทำบำเพ็ญได้เหมือนกันคือถ้ะทำบำเพ็ญได้จะเห็นจะรู้ความสุขความสบายของจิตของใจ ล้วเชื่อหาความสุขภายนอกเคยหากันมาระยะยาวมาจนบางขังบางคนก็มีอายุผ่านพ้นไปจากต่างคนไปแล้วเลยเข้าไปสู่จุดจะหมดจะสิ้นถ้าเป็นือนกับลรงไปจนเนจะข้ามใจดับจะรับไปแล้ว ถ้าเป็นตะวันตบ่ายจะหลายมงแล้วจะหาความฝกความสบายในทางทางนอก่นตัวศพพบผนฝึกกัอฝึกระยะเวลาสั้นคือจิตใจเราชอบแล้วไปมีแต่ทุกทับเห็นตัวเหื่อมาเนื่อยจนเหน่ความฝึกทางนอกเป็นอย่างนั้นทุกทันทีหลงกันก็คือหลงฝึกทางนอก เกิดได้ที่เหนืุขภัยเนาะถ้าะไม่เคยเจอความสุขภัยเลยไม่เคยเจอใจสงบไม่เคยเจออาจทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเลยต้งเจอเรื่องท้องผืลนปัญหาชอบพอเรื่องอะไรก็ยิ่งไปตามเรื่องเหล่นั้นแล้วก็ถือศึกกันเชนถือศึกในรูป เราเห็นเป็นต้นรูปที่เราชอบเราเห็นวิเลตําหาอย่างท้องใจไม่ใช่ว่าจะคงสนคงวาชอบพอในจิตในใจในระยะช่วงแต่เดียวๆนันก็ลืมหลงก็เสียก็ชอบรูปใหม่ถ้าจะยิ่มตามเรื่องพวงมัน ไปททังือเสียงก็เหมืนกันมันเป็นอย่างนั้นมันหลอกเรื่องเรื่องของใจอยู่เสมอไปใจเปอย่างนี้ที่กาะที่อาศัยใจจนจนเท็จเรื่องขโลกเป็นอยู่อย่างนั้นคนที่อยู่เดเดวคนเดียวแทนที่จะสงบสบายด้ไม่ยิงยากเหนียของ กับผู้คนอื่นๆในรับผิดชอบอะไรจะมีความผิดใจผุดกายแทนที่จะเป็นอย่างนั้นหากคนมีอาบมีทำเป็นอย่างนั้นแต่คนมีอาบมีทำไม่เป็นอย่างนั้นอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้คิดเพ่งอยากจะมีท้เสื้อเสื้อถุงถุงซาลวอยู่คนเดียวจะไปเส้อกที่ไหนก็ สะดวกใจสมายใจในห่วงใยครอบครัวตยากจะอยู่ไม่ได้อยากจะมีครอบครัวมีผัวมีเมียกันมีมาแล้วเป็นติดก็เติดียู่ในีระยะมันอยากแต่เมื่อมันหายอยากทุกข์ลำบากมันตามมามีผัวกับเขามีุดเขาใจมีเมียก็ไม่ หาความสุขความสบายม่ได้เกิดทะเลาะบอไหวกันติดเถียงกันเป็นไปต่างๆนานาอย่าร่างกันก่อนนับไม่ถวนนี่คือความสุขของโลกมันเป็นอย่างนั้นเพราะความสุขจากคุณเหตุปัหาความสุขจากความเหนื่อยไม่ใช่ความสุขจากความรู้ที่แท้จริงพระพุทธเจ้าท่าน คุณที่เจอมามาเพียงพอถังจนะึงมาแหน่สอนโลกหลักความสุขส่วนนี้ในว่าตัวมนุษย์ตัดตัวเล็กๆมันก็สุกได้มีขู่คาองเ้ามันความสุขส่วนนี้ไม่ใส่สุขอัจฉริยเป็นสุขของขี้เหล็กสุขนำทุกมาให้เหนือปล า, ายทาง แต่มีลูกมีหลานเกิดขึ้นก็ทุกไปั้งลูกถึงหลานมีบ้างมีต้องมีเข่ามีคลองก็ทุเรื่อยไปเอาใจไปตาะไปอาศัยใครมาแต่ต้องเรื่องเกินผิดกิเลสเกิดทุกข์แผลเผลอายในใจออกมาทรายลาจาแดออกมาทุกขาบางทีอาจขาทีกันก็ได้เพราะกเลส ภายในมันมีกาลังหนาแน่เนเหลืความสุขที่โลกหลุ่มหลงเพื่อสุขที่เชีย่ยวไปด้วยทุกข์สุขเหมือนยาดิษเสียเงินตามีรสภายนอกหวานแต่ภายในเป็นขี้จิกของพวกเราที่หุ่มหลงในโลกกว่าทนงนั้นเมีใครที่จะประสบพบตึกอันจริงจัง หากระสบพบตกอันเป็นใงพระพุทธเจ้าหรือท่านผู้ที่สมดเดียร์ลักเดียรตระงต่างๆเาเหล่านั้นก็จะมีเบรื่องทุกอะไรต่างก็บ้างทนเข่าของมีเชิงฟอบาลีเบื่หยุดเงียบมีแทนที่จะมีความสุขความสบายให้มาเป็นอย่างนั้นมีอะไรต่อม่จะนำทุกมาเผาเขา หยตใจตัวเองให้เดือดร้วย่งากนี่คือความสุขที่เกียวดยทุกความสุขทางศาสนาที่พรศาสนาสันนิานถึงสอนความสุขทางสงบถ้าสงบได้มันสบายสงบก็คือความไม่ด้ยุ่นยากเกี่ยวข้องหสงบจะต้องละถอนกินีจามตามกิงที่เป็นพิษกินไปกินเป็นพิษ ปิดเคยปิดคล้องขพิโรนาให้รู้ให้เข้าใจในโทษของมันในความเป็นมาของมันในความไม่เขียงของมันในกลิ่ๆมันเป็นกืิ่นในท่าบันเทาในบ้านเข้าไปอ่านูป็นกลิ่นหน่อนะ้ลิ่นหน่อยกลิ่นเปรี้ยวมลิ่นเขียงใส่เน่าหรือเตัวของเตัวเองเข้าไปประจักษ์เป็น อยู่ในตัวเราฟันที่เกิดขึ้นจะต้องมีามการระเบิดตวและแตกหลายไม่ใช่เชียงขาบหนแต่มันเป็นอย่างนั้นเพื่อจะยินเดียวฟงจากคุณอาจารย์มาทาอย่างนั้นหรือตำราตราสิวิทยาต้าเปาเ็นอย่างนั้นผ่าขาดไหหรือตมาเด็๋ยัอย่างไม่ไม่ทางที่จะเข้าถึงธรรมะ ทางที่จะเข้าถึงธรรมะทางที่จะละาจะาถอนมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นจากจิตใจทั้งตนที่ได้พิจารณาเหตุผลเพียงพอทิจะต้องปล่อยวางละถอนเข้าใจปจระจักเลื่อนับอยู่อย่างนั้นทึงระยะทึงเลวลาถึงมาก่อม่อา ศ, าศาัยในถ้าไม่ขันก็เพียงที่พักที่อา ศ, าศาัยสร้างคุณความดีเถอนะนั้น ไมเพว่าธาขันอันนี้เป็นเาป็นของข้งเราความเข้าใจต่อจากภายในมีออยู่แต่เรื่องสมมุติภายนอกเป็นด่างไรเขาใชกันก็พูดไปตามภาษาของโลกแต่จิตที่จะมาหลงยึดถือม่นไม้ไหวยิหวายไหวคนไหสัเป็นไปไได้เพราะเข้าใจว่า้นอันนี้เป็น ทุกเกิดขึ้ น, นแล้วเปรียบแล้วแปกสลายในวินาทีเดียวจะบังคับบังชาได้หนอาที่ต้องเป็นอย่างไรมันจะเป็นไปอย่างนั้นมีความเป็นจริงในใจเป็นอี่อย่างนั้นเมื่อเป็นอีู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างไรควรจะรักษาพยาบาลกะรักษาไปไม่ควรจะรักษาพยาบาลจะจล่อยมันไปรักษาไว้หายระยะนี้เวลานี้ ครั้งนั้นก็เกิดขึ้นอีกเรื่องของนั้นเป็นเยอะอย่างนั้นฉะนั้นยิ่งในยุคไทยที่จะมีอายุหนึ่งเืนเป็นหมื่นเป็นแสนตีเพราะร่างกายมันมีหนาที่เกิดขึ้นเปราเปลีนและแตกสลายถึงจะมีมยดดาขนาดไห น, นมีหมอมีขนาดไห น, นรักษาไว้เป็นไปไม่ได้ ยาแห่งตายไมนน่มีมีแต่ออายาแก้โรคโรคที่แก้ได้กต่ืโรคภายในที่แยงเข้ามาเป็นโรคภายในตายคือสลาความแก่อำนาจความตายไม่มีนนมมโรคที่ไหนในวิยาที่ไหนจะเจ้ได้เพราะนั้นกืเป็นหมอเองเป็นศาตรอาจารย์จบมาจา ประเทศไหนต้องมีทางที่จะรักษายายดาพ่อแม่ของเขาหรือเต่าของเขาให้ผ่านคนจากอริยสัจของพระได้ท้าบไบ้โรคเขาเป็นอย่างไรคนนั้นก็จะเป็นไตเนืงตับสโะก๊อกทั้งท้อหยุดยาจะตจอมีดาที่จะแก้ไขการแก้ตามตายไปได้เมื่อเข้าใจประจับเห็นแจ้งอย่างนั้น ใจของท่านที่ปฏิบัติย่งไม่ลมเลมันเป็นอยู่หาไปในระยะนี้ก็มีจะได้ทหน้าที่ความเพียรต่อไปรลฟ์กิเลสต่อไปถ้าเพีรหมดกิเลสาจะได้ทประโยชนใโลกต่อไปถามันยังที่ึะเป็นอยู่หาจากไ เกี่กยวกับใครต่างๆทางนั้นตายดีมันจะเหนยเป็นทุกข์ลำบากอีกต่อไปท่านดีทั้ทงเป็นลยูีทั้ทงตายใปไม่มีอะไรที่จะเสื่อมจะเสียทา่ยทานสดายท่านพอใจทั้งๆ่านหมดจิตที่จะละจะังเพลินมีพลังในส่วนของการปฏิ บ, ฯฯบัติอธรรงมีทางสุข มีทางจะเดือดสายตึงหลังกายจนตันแต่เหนือตันเกว่ากันเติตตาตายมันตายตายมนตายเือมกแต่าจิงเกิดขึ้นจากอะไรตายงเราขาดทัสดินน้ลไฟผสมกันเข้า จเหียบก่อาตายเมันตมนตา ย, าตายถ้าท้งสี่ล้วก็เลยตายหื้ที่พามันเป็นดินมันละลายไปเป็นดิ น, น, ถ, น, นถ้าทีเออ่เป็นน้ํากเป็นปากหรือเป็นไอออกไปเป็นน้าไลต่อตามอาม ก, นนก่มันเข้าไปตามรลืข้นอเยับนื้กันมีธาตุเชิงให่ธาตุสีมาอาศัยอากาศยินยานสิง่งีในร่างกาก็ทำงานโยกัน มันมีอะไรที่มันจะตายไปมันจะพังพื้นฐานจิตเมื่อมันยังสสัยจิตเมื่อยังไม่สงบจิตยังิดคล่องหรือเดือดจิตเือตัหาเมื่อมันแตกทำลายตายอันนี้มันโกติโกเมืเหมือนกันกับบ้านใครของยงอยู่บ้านมันทง หลังก็งไปสร้างเอาไหม่เดือดไปอยู่อย่างงี้อยู่ไม้ถึงอย่างท้องิตไม่มีวันมีเวลาที่จะตายแต่มันต่อเพราะต่าตใหม่เราชาติใม่ได้เไม่ได้ต่อที่ไหนเพราะจิตใจของเราเราไม่ก่อท่น เป็นเนี่ยกล้ากลึงจิตไปไม่อยากไปตืที่เชื่อมันจะไปได้เพราะเราสร้างแล้ไว้เด็กของกรรมเชื่อแต่นั้นการชำระสายาังจิตใจเป็นเปนหน้าที่ของทุกคนจะชำระสายสาังเนี่ยใจถึงข้างบริสุทธิ์เป็นมืมุดมามือทางส้งสเราจะไป ก่อพบกระชาติอีกไหมจะมีอะไรให้ทุกอีกมันหนมดปัญหาต้องหลับจิตใจท่องท่านผู้ที่จะล่าสารานจะมีการปฏิบัติอภิธรรมเกื่ยความสมบสุขเกื่ยความหยดความ ด, ามดีไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นเป็นหน้าที่ของเราจะเอาใจใส่จะตั้งใจรักษา หากยังเห็นเอวดยในการเกิดการตายคนนั้นยังห่างไจที่จะปฏิบัติใจคุตตนไม่รู้สึกได้แต่เห็นเลไดาในการเกิดการตายเห็นเทไดาในการเปนอยู่หาสาหาประโยชน์ไม่ด้หากวามสุขไมได้ววเวียนเว้าตลอดารหลงลืมอยู่ตลอดเวลา ยิง่งมีโอกาสชํระสาสางจิตใจทั้งตนแล้วก็เทิดเทนไปตามสัญญาลมต่างๆ่าอันนั้นจะดีอันนี้นจะชื่อทานกินมันไม่มีที่ไหนสุดทาํานกล่าชาติสีทุกขาเกิดมาแล้วจะต้เป็นทุกข์มีเกิดบมทีทุกข์ออทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะหนาวเพราะ้อนเพราะ็บเพาะภัยทุกข์เพราะด่าเพราะเสีย ความคิดทหารไม่ีเกล็ดอย่างเดียวเพกมันจะตามมาไหมเสียมันเก็ไหนมีเกล็บมันก็ดไหนมีหงื่อทหารมันเกล็่ไหนมีบาดเขี้ยมเกล็ดไหนถ้าตัวเดียวเป็นเรื่สงสำคัญที่จะนำเพจไทยให้เกล็ดมาให้ในเรื่องอื่น เราทาไมคิดยินดีเต็นใจอยากเกิดอีจกจะหาความสุขในทางเกิดนอกจากคนหลงไม่มีคนรู้ทำดัวมาคนรู้ทำเต็มไปคนรู้อยากจบมไปจากวางเกิดจึงเรื่องภาวนาทาความเพียร ต, ต่างหน้าต่างตาเทื่ทอรกพิเนตัญหาอะไรเป็นเชื้อที่จะเกิด ชีวิตที่เจอมาตั้งละสาสางเลื่อยเท่าตองดิจใจดิจใจลืมหลงเพิดเพลินในกิเลสปัญหาลงเรื่องราวต่างๆจะเหยียดตัวเข้าไปภายในจะปล่อยสัญญาอารมณ์เหมือนั้นตกไปเรื่อยๆฝนตื้ตึกก็มีทายสงบลังงะหรือการปฏิบัติอารรพ เป็นตามเป็นทุกคนที t ่จะตั p ้งสอตไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นเป็นเรื่องเอาช่เอาใทำเอาช่เอาใจทไมเห็นเห็นางเห็นฝาให้การเกิดการตายมันเกิดนสบายขนาดไหนเราเคยพอทาบได้พราเคยเกิดมาแล้วเคยตายมาแล้วไม่ใช่เราเคยเกิดเราเคยตาย เกิดขึนชาติปัจจุบัเคตาาแล้วไม่ใช่หรือกิมาแล้วไม่ใช่หรือตายจากเด็กจากเล็กจากหนุนจากสาวตายจากความิดความสบายตายจากความทกความร้ต่างๆระยะเวลาความเปลี่ยนตอนของรูปของนามหาที่ไม่พิจาณไม่เปลี่ยนปลงตลอดเวลาไม่ยังมีอะไรี่จะ คงเสร็กองยาให้จิใจมารู้เึงเหลองเรื่องทั้งมันแต่จิตใจรู้มันจะมี อ, อะไรสเสมอยึดยุ่มมาหลอกพลงโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างไรอดีตอนาคตหรือปัจจุบันมันดูการออกเท่าถึงเพราะปัญญาฐานะที่นิจใจมาเข้าใจประจับนี่คือเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน ที่เจรนาตัวทั้งตัวแถวนั้นก็เทถึงหมดทั้งของมีมือยืนยันมือยืนยมันเหมือนกัน่างเรรอย่างน้อย่างรขอย่างนั้นมมีอะไรที่จะน่าสงสัยที่จะน่าพอใจเหลงมันอีกทุกคี่รนาตงหน้าตาตาทมผามเียน พยายามนะคับบรรชาหยาบอยจิตไปตามกิเลสปัญหาที่เจ้ามาทายในเลื่อเทิดไปในใจมันสงบในใจมันเยอในใจมันเกิดทำริ้วทำยาตาหามทายในที่จะัดความสงสัยสงสัยตัวเองให้พัก ถาหากในพยายามรักษาในภาวนาในชำระตัวเองไม่มีทางจะยืดยิ่งไปสถานที่ใดก็ไปเถอะไปจนขาขาดตม่นมี้โอากาสเวลาที่จะรีเร่สงสงบได้เพราหย่ดไปตามสงญารั่ง้งตนไปวันนี้ก็ขาดพึงถึงกตำลอยเรด้วยดวงคนตงไเลยเรองดวนใหญาพระภาวนาสว่างนิดกว่านี้ ขาไปนนดนหน่อยหลายข้างหลายเหเท่ากอกไปหมดไปส้นมันเคยีเคยเดินจนจนมดเคย่อถ้า่างนี่อยหยุดไปตาม้ยายุเือดไป้าเ่ยต่งี่ต่างมันเป็นอย่างนั้นเลยว่าเพราะวว่านักาเวลา ที่เราเขรวเขราละเอียเป็นภาพเป็นเมินก็ดีเป็นเทาลว่าแม้รักษาศีลก็ดีซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะตกำหนดที่กำหนดใจเองตนให้สงบเงียบสำลักตาสังจิตใจให้ฟังสงดเงินทิ้งจะมีความสุขความใจเสื่อมนะเนี่ยจิตจึงถือจะสำลักตาสัง หนึ่งคิดที่จะหาเกิเ <Les masses sequences> ียมพนคนใดคน่ที่จะช่วยได้เกเี่ยมตายอตลอดเวลาองให้เหอีอย่างนี้ไยันใดที่จะเห็นความติดความปรความลุของจิตใจออกไปจาก การภาวนาการผ่าเชียนทุกอย่างจึเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านควรเขใจอย่าไปคิดว่าเราเป็นข้าเราย่งหนุ่มยัางเงี้นอยเรายังเลือดอย่งเล็กอยู่อย่าไปทํามต้นอยเชื่อก่ออย่าไปคิดอย่างนั้นโอกาสเวลาพอที่จะจะทํามท้นได้รีดเลื่องซ้อน ความสงบระงับดับกิเลสปัญหาจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้หลักผู้ใดก็มีในอันเดียวกั น, นกมีที่ใจแตกต่างกันใครทำละจิตใจท่องจนได้คนนั้นจะถึงความฝึก ค, ความสบายคนนั้นก็เห็นความเปรียบเที่ยบตสําหลับตัวคนทีน่ทำละสาสารไม่ได้ก็ไมบบ่มีทางฝึกสมายมีแต่จะทุกข์ มดไม่หยุดตลอดระยะเวลาเะั้นขอทุกท่านที่ได้สำับรับ่างจะนำไปที่นิจาราต่างๆต่างตาาเพียายามแก้ไขจิตใจสื่อควาคิดตใต่างๆให้สงบลงนะเนี่เราทุกคนสนใจอย่างนี้มักผลนิพพานสื่อไก็ได้จ้งเชง แตเอาไว้กวจะเป็นสมบัติของใจเจ้เองตามที่ได้ทำอ่ะเห็นไหมเข้าถึงควรเวลาคอยจิตพึงศรั